พรมวิหารสและสังคะวัตถุสถ้าจะให้สังคมประชาธิปไตยมั่นคงก็ไปให้ถึงสารานิยธรรมหกันเลยความสุขทางสังคมนี้โดยพื้นฐานย่อมมุ่งไปที่หลักพรมวิหารซึ่งได้อธิบายความหมายไปแล้วแต่ในที่นี้จะพูดอีกครั้งโดยเน้นเชิงปฏิบัติเหมือนให้เห็นตัวอย่างโดยจับที่จุดแกนคือในบ้านหรือในครอบครัว เริ่มต้นที่ความสุขของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเห็นลูกอยู่ดีมีสุขเวลาอธิบายเรื่องพรมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุนทิตาอุเบกขาก็จะยกเรื่องพ่อแม่มาเป็นตัวอย่างโดยอธิบายเริ่มที่พ่อแม่เพราะธรรมชาติเอื้ออยู่แล้วให้พ่อแม่มีคุณธรรมชุดนี้โดยเฉพาะแม่นั้นถือเป็นแกนในคำภีจึงยกแม่เป็นหลักในการอธิบาย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 ได้สนองความต้องการที่อยากให้ลูกมีความสุขแล้วแม่และพ่อก็มีความสุขความต้องการหรืออยากให้ลูกพ้นคลายหายจากทุกกลับฟื้นขึ้นมาเป็นสุขอย่างนี้เรียกว่ากรุณาแล้วถ้าลูกเติบโตจเจริญงอกงามมีรูปกายสดสวยงามสงา่าประสบความสำเร็จในการศึกษาสอบได้คะแนนสูงหรือได้งานดีมีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่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 ว่าโดยทั่วไปพ่อแม่ทำกันได้ครบแต่ครบแค่นี้ยังไม่พอครบในข้อที่พูดมาแล้วเท่านั้นยังไม่ครบพรมวิหารได้แค่โอยังไม่ช่วยให้ลูกเติบโตจริงถ้าใช้สัพ์สมัยใหม่ก็ว่าอาจจะไม่ได้วุฒิภาวะถ้าหนักหน่อยก็บอกว่าจะได้แต่ลูกแงอ้อนเอากับแม่พ่อเรื่อยไปจึงถึงข้อสี่ให้ไม่ลืมว่า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 ในบ้านของลูกนี่ต้องจัดอย่างนั้นต้องจัดอย่างนี้เอานั่นออกไปเอานี่เข้ามาเที่ยวเข้าไปวุ่นวายทุกอย่างคิดว่าอยากจะให้ลูกมีความสุขลูกเลยสุขไม่ได้กลายเป็นตัวเองไปเป็นเหตุให้ลูกมีทุกข์ให้ลูกตัวกับลูกแต่งขัดแย้งหรืออึดอัดกันเมื่อมีปัญญารู้อยู่แล้วว่าลูกเราโตแล้วเขารับผิดชอบตัวเองได้และถึงเวลาที่เขาจะต้องรับผิดชอบตนเอง เราก็คอยดูมองด้วยปัญญาว่ามีอะไรจะต้องเกื้อกูลช่วยเหลือแก้ปัญหาก็จึงไปทำคอยดูอยู่ไม่ใช่ทอดทิ้งและเป็นที่ปรึกษาให้แต่ไม่เข้าไปยุ่มย่ามแทรกแซงอุเบกขาทำหน้าที่ตรงนี้ความต้องการหรืออยากให้ลูกอยู่ในความถูกต้องสมควรตามเหตุผลไม่ทำความผิดพลาดเสียหายดำเนินไปตามธรรม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 เอาง่ายๆคุณแม่มีเมตตารักลูกมากลูกยังเล็กมากก็ป้อนข้าวป้อนน้ําให้แต่แน่ละ่ะตามความถูกความควรเด็กจะเติบโตขึ้นไปก็ต้องกินอาหารเป็นใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้จานชามเป็นรับผิดชอบชีวิตของตัวได้คุณแม่ป้อนไปป้อนไปแล้วถึงเวลาหนึ่งปัญญาก็บอกว่าเอาละ่ะต่อไปนี้ ลูกควรจะกินเองได้ควรใช้ช้อนเป็นเป็นต้นคุณแม่ก็บอกลูกให้รู้จักวิธีจับวิธีใช้ช้อนให้ลูกลองทำเองคุณแม่ก็หยุดไม่ป้อนปล่อยคอยดูลูกทำดูแลให้เขาทำได้เองนี่คืออุเบกขาแม้แต่ปอกผลไม้ปอกกล้วยเป็นต้นคุณแม่เคยปอกให้ใส่ปากต่อมาก็บอก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 ถ้าอยู่แค่เมตตากรุณาก็ทำให้ลูกทำให้ลูกเรื่อยไปถ้าอุเบกขามาก็ทำให้ลูกดูแล้วก็ดูให้ลูกทำดูให้ลูกทำเรื่องก็อย่างนี้เองถ้าใช้แค่เมตตากรุณาก็ได้ความสุขที่ลูกสุขสมปรารถนาเฉพาะหน้าไปทีหนึ่งทีหนึ่งแต่ถ้ามีอุเบกขามาคุมมาดุนก็จะได้ความสุขที่ยืนนานระยะยาว เพราะได้เห็นลูกพัฒนามีความสามารถก้าวไปด้วยดีในวิถีชีวิตที่ยาวไกลในโลกอันกว้างใหญ่เป็นนั้นว่าพ่อแม่เป็นตัวอย่างของการนำบ้านนำครอบครัวให้มีความสุขเชิงสังคมจะต้องพัฒนามนุษย์ให้มีธรรมชุดนี้โดยเฉพาะเข้าใจและใช้อุเบกขาให้ถูกต้องมองอย่างกว้างอุเบกขาต้องการทำ ต้องการความถูกต้องให้มวลมนุษย์ที่เรารักเราปรารถนาดีนั้นมีธรรมมีความถูกต้องมีความไม่ผิดพลาดซึ่งเป็นความปรารถนาดีอย่างสูงสุดและเมื่อสมปรารถนาสมใจของเราตัวเราก็จะมีความสุขที่ประณีตลึกซึ้งยืนยาวและแท้จริงเมื่อบ้านดีครอบครัวมีความสุขอย่างถูกทางถูกทำอย่างนี้